พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขม่มทรงคุ้มครองทรงรักษาทรงสำรวมจักสุอันน้าพอใจในรูปเห็นไหมคือฝึกตาเนี่ยนะทรงขม่มทรงคุ้มครองรักษาเพราะปกติตาเนี่ยชอบใจในรูปปกติตานะชอบใจในรูปยินดีในรูปพอใจในรูปและพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อสำรวมตาด้วยนะซึง่งต่างจากเราใช่ไหมเราเนี่ยปกติเนี่ย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 นะถึงตาจะยินดีในรูปหูจะปกติของหูมีไว้เพื่อฟังเสียงจมกูกมีไว้รู้กลิ่นลิ้นมีไว้รู้รสกายมีไว้รับกระทบโพธภ า, ภาพันเนี่ยนะใจมีรับกระทบธรรมรลมเนี่ยพระ อ, องค์นี่ฝึกคุ้มครองรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะเดียวกันทงก็แสดงธรรมเพื่อให้สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ สังวร น, นะสังวรก็คือสังวรหนะโปร่งให้สังวรในตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยศีละสังวรสติสังวรขันติสังวรญาณะสังวรวิริยะสังวรเนี่ยนะซึ่งประพันธ์เป็นคาถาว่าชนทั้งหลายย่อมนำยานที่ตนฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชา ย, ย่อมทรงประทับยานที่สารถีฝึกดีแล้วใช่ไหม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 แต่ถ้าอดทนในคนชั้นล่างดูหมิ่นได้นะนั่นแหะเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดจริงๆม้า อ, สอัสดรม้าอาชานไยม้าสินทบช้างใหญ่คือกุญชรที่เขาฝึกแล้วจึงประเสริฐเนี่ยนะพวกมา้าพวกช้างเนี่ยถ้าไม่ฝึกไม่ได้เรื่องอะ่ะบุคคลฝึกตนแล้วประเสริฐยิ่งกว่ายานมีม้า อ, สอัสดรม้าอาชานไยม้าสินทบช้างกุญชรเนี่ยนะพลัน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 แต่ว่าไม่มีใครเนี่ยขี่ช้างขี่ม้าไปนิพานได้หรอกนี่ยนะนะพระขีนาศบทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะมาณะทั้งหลายย่อมเป็นผู้หลุดพ้นจากกรรมกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดบ่อยๆ่อกรรมกิเลสนั่นแหละตัวพาเกิดบ่อยๆพระรหัส น, นี่บรรลุถึงภูมิที่ฝึกแล้วคือรหัตตะพพระขีนาศบเหล่านั้นเป็นผู้มีความชนะในโลกอินทรีย์ทั้งหลายท่านชนะตาหูจหมูกลิ้นกายใจหมดนะแต่ของศัตร์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม เอ๊ะมันน่าดูเนี่ยดูซะหน่อยมันน่าฟังเนี่ยฟังซะหน่อยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยชนะหมดแล้วพระขีณาสพใดให้เจริญแล้วอายตนะภายในอายตนะภายนอกพระขีณาสพเหล่านั้นทำให้หมดพยศแล้วพระขีณาสพนั้นล่วงแล้วซึ่งโลกนี้และโลกอื่นในโลกทั้งปวงมีธรรมะอันให้เจริญแล้วฝึกดีแล้วย่อมหวังมรณากาน ผู้ที่ฝึกด้วยอรยิยมรรคไว้เรียบร้อยแล้วนะที่รอท่านรออะไรรอตายอย่างเดียวนะสบายแล้วจบแล้วนะก็เหมือนกระตั๋วก็ซื้อหมดแล้วอะไรก็ซื้อหมดแล้วเนี่ยนะรออะไรถ้าเวลาเราจะเดินทางไหมรอขึ้ น, น, นหรือว่าชอบชอบชอบอยู่คุยกับพวกก่อนยังไม่ต้องรีบขึ้นอนะ่ะมีไหมไม่ใช่อรอขึ้นอย่างเดียวอนะ ทีนี้คำถาม น, นะทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นคำชมพระพุทธเจ้าอย่างเดียวว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ถึงเวทเป็นผู้มีฝึกตนเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ถามว่าทุกทั้งหมดเนี่ยนะมันเกิดจากอะไรทุกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตทุกอ่ะหรือว่าทุกในนรก เดรัจฉานเปรติวิสัยทุกข์ในมนุษย์ทุกในการก้าวลงสู่คันตั้งอยู่ในคันทุกในการออกจากคันทุกเนื่องให้สัตว์เกิดทุกเนื่องจากผู้อื่นเนื่องแต่สัตว์ผู้เกิดทุกขที่เกิดจากความเพียรของตนทุกที่เกิดจากความเพียรของผู้อื่นหรือว่าทุกขเวทนาเท่ากับทุกกะทุกขสังขารทุกข์วิปริณามทุกหรือโรคทั้งหลายโรคตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย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 ตั้งอยู่ในทุกข์ไม่มีอะไรเป็นที่ต้านทานไม่มีอะไรเป็นที่เร้นไม่มีอะไรเป็นสารณะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนี้เรียกว่าทุกข์ท่านเมตตครูย่อมทูลถามทูลวิงวอนทูลเชื่อชิญทูลให้ทรงประสาทซึ่งมูลเหตุนิทานเหตุเกิดเดนเกิดสมุทฐานอาหารอารมณ์ปัจจัยสมุทยัยแห่งทุกข์เหล่านี้ว่าทุกข์เหล่านี้เข้ามาถึงพร้อมเกิดประจักบังเกิดบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วมาจากอะไรทุกทั้งหมดมันเกิดจากอะไร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 โดยเฉพาะตันหานี่แหละเป็นเหตุเกิดมันทุกอย่างที่กล่าวไปหมดเนี่ยนะถ้าไม่มีตันหานะกรรมมันจะมีไหมถ้าไม่มีกิเลสูปะที่กรรมมูปะทกรรมมูปะที่จะมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีกรรมจะชาติทุกทั้งหมดที่กล่าวไปจะมีไหมอันว่าสรุปก็บอกว่าทุกเกิดจากอุปที่คือตันหานเป็นโน้นนั่นแหละคําว่าทุกแห่งกระทุกข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 คำว่าอุปทีนี่นะทุกทั้งหมดมีอุปที่เป็นเหตุเนี่ยนะอุปที่มี10ประการนะตรงนี้ 1. ตันหาตันหูปธิ2ีทิฏฐิทิฏฐูปธที่กิเลสูปธิ4ี่สกมมูปรที่ทุจิริตูปรที่อาหารูปรที่ปฏิคูปธิ8ีอุปทีคืออุปาทินธาตุ4คือมหาภูตรูป4นะอุปที่คืออายตนะภายใน6 10. อุปทิคือวิญญาณหมวด6 สรุปว่าทุกแม้ทั้งหมดนั่นแลเป็นอุปธิที่แปลว่าอุปธินี่แปลว่ายากที่จะทนได้จื่เรียกว่าอุปธิสิบนะนก็แบ่งเป็นตันหาทิฏกิเลสกรรมทุจริตอาหารปฏิฆะมหาภูต ร, รูปเสียยตนะภายในย6หรือวิญญาณหมวด6เนี่ย น, นะเมื่อกี้บอกว่าวิญญาณหมวด66หกเราเรียว่าอุปธิเ น, นีเพราะฉะนั้นชาติตุกขชราพยาทีมรณะโซโกะปริเทวะทุก์ทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ย มีอุปทิเป็นนิทานมีอุปทิเป็นเหตุมีอุปทิเป็นปัจจัยมีอุปธิเป็นกุรณะย่อมมีย่อมเป็นเกิดบังเกิดบังเกิดพรอมบังเกิดเฉพาะปรากฏเพราะฉะนั้นที่กล่าวทั้งหมดว่าทุกทั้งหลายมีอุปทิเป็นเหตุมีตัณหาทิ่ทีกิเลสกรรมทุตจริตอาหารอุปธิอันนี้เพราะเพราะเพราะปัจจัยอะนะคือกิเลสอนะเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือเพราะถ้าว่าไปอะนะทุกทั้งหมดมันเกิดจากอะไรโรคทั้งหมดในโรงพยาบาลเกิดจากอะไรก็เนื่องจากมีร่างกายอ่ะ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 ขอแจมหน่อยนะขอรู้ด้วยจะได้ขอแบ่งทุกข์ด้วยนะขอทุกตัอย่างนั้นไปเรียกว่าไปร่วบทุกข์กับเขาเพราะฉะนั้นทุกทั้งหมดเนี่ยนะมีอุปธิเป็นนิทานเป็นเหตุเป็นกรลนะเป็นปัจจัย <c oughs> ทุกทั้งหมดในโลกนะไม่ว่าจะเป็นอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกธาตุขันธาตุอายตนะโลกทุกเป็นอย่างมากที่กล่าวไปเนี่ยนะก็มีอุปธิเป็นเหตุพระองค์ก็แนะนําต่อไปว่าผู้ใดแลมิ่ใช่ผู้รู้ แปลว่าคนพาลเนี่ยนะย่อมทําอุปธิผู้นั้นเป็นคนเขาย่อมเข้าถึงทุกบ่อยบ่อยคนพาลคนโง่นี่ก็ทําแต่ทุกให้กับตัวนะเพราะเหตุนั้นบุคคลรู้อยู่ไม่พึงทําอุปธิเป็นผู้พิจารณาเหตุเกิดแห่งทุกเนี่ยนะอธิบายว่าผู้ใดก็คือกรรษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตรขั้นหัดบรรพชิตเทวดามนุษย์เนี่ยนะเช่นใดควรอย่างไรชนิดอย่างใดการงานอย่างใดถึงฐานะอย่างใดประกอบอย่างใด คนเหล่าใดที่ที่ไม่รู้อ่ะก็คือเป็นไปในอวิชชาไม่มีญาณไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาสามอ่ะพวกคนเหล่านั้นก็ทําอุปธิกันก็คือพากันทําตันหูปฏิกิเลสูอุปธิทิฏฐูปฏิเนี่นะทำมูอปฏิทุจริตูปธิอาหารูปฏิปฏิคูปฏิอุปธิคือมหาพูด4ี่อุปธิคืออเยตนาภายใน6คือวิญญาณ6เนี่ยหรือว่า พวกนี้ก็จะทําพากันสร้างอุปธิเหล่านี้แหละสร้างกิเลสตัณหาสร้างมหาพูดสร้างอายตนะภายในสร้างวิญญาณหกให้เกิดให้เกิดพร้อมให้เกิดเฉพาะเพราะฉะนั้นพวกคนโง่ะชอบทําอุปธิกันของเรานี่โง่ด้วยหรือเปล่าชอบสร้างนะเพลินในเพลินในสีก็สร้างตาใช่ไหมง่ายๆเพลินในสีสร้างตาเพลินในหูก็สร้างเออเพลินในเสียงสร้างหูเพลินในจมูกสร้าง เพลินในกลิ่นสร้างจมูกเพลินในรถอาร่านอะไรไม่เป็นี้งานนะเข้าเมืองกินอะไรบ้งางงานนะกลับมากินเนี่ยนะนี่แหละเพลินในรถก็สร้างลิ้นอะไหมเรยพอพอกินได้เพลินในเนี่ยอากาศดีนะางานนะสร้างกายใช่ไหมไอ้คิดอะไรก็สมใจหวากหมดเลยอันนี้สร้างใจมันก็นี่แหละสร้างไปทุกเรื่องอ่ะนะสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจ สร้างผมขนเล็บฟันนัง่งเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยนในกระดูกก็สร้างไว้เงั้ยแหละจริงนะเราก็สแสวงหาอาหารก็เพื่อจะสร้างมหาพูดใช่ไหมออาหารนี้บำรุงผมนะเนี่ยนะอาหารนี้บำรุงตาอาหารนี้บำรุงผิวอาหารนี่บำรุงมันข้นอาหารนี้บำรุงสมองอาหารนี้บำรุงฟันอาหารนี้บำรุงกระดูกแม่หาอะไรที่มาบำรุงหน้าดูเลยนะเออชอบอุปที่จริงๆอ่ะ คิดว่าอาหารูปเทียหาหารูปเทียเนี่ยมาเพื่อจะสร้างกายเนี่ยอาหารนี้ไปบำ ร, รุงส่วนโน้นอาหารโน้นไปบำ ร, รุงส่วนโน้นเนี่ยนะหูยเศาหาสแสวงหากันเพราะฉะนั้นคนพาลเหล่านั้นก็ปุนับปุนังทุกขมุเปติแปลว่าเข้าถึงเข้าไปถึงย่อมจับรูปคลํายึดมั่นซึ่งชาติทุกนะคนพาลคนโง่คนขา่าวคนโง่เนี่ยนะก็สร้างทุกอย่างนี้เขาก็เลยถึงชาติทุกชราพญาทีมรณะ สโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตทุกเพราะฉะนั้นเขาจะเขาจะเข้าถึงทุกบ่อยๆ